เพื่อการชำระการสอบสวนและการตอบแทนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอฮัลอะตากะฮะดีษุลฆอชิยะห์ข่าวคราวแห่งวันกิยามะห์ได้มายังพวกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือกูยูฮ์ยามาอิดินคอชิอะห์ในวันนั้นมีหลายใบหน้าที่ต่ำต้อยอามีละตุนนาซิบะฮ์ ใบหน้าที่ทํางานหนักกระทบใจซึ่งจะเข้าไปเผาไหม้ในไฟอันร้อนแรงจะถูกให้ดื่มจากตานน้ําที่ร้อนจัดไม่มีอาหารอื่นนอกจากต้นหญ้าแห้งมันจะไม่ทําให้อ้วน และจะไม่ทําให้หายหิวกูอยู่หอยเอามะอิดนะอิมะตุลิซอฮาราฎิยะตุฟิจันนะติอาลียะห์ในวันนั้นมีหลายใบหน้าที่เบิกบานพึงพอใจเพราะการกระทําของพวกเขาอยู่ในสวนสวรรค์อันสูงส่งลาตัสมาอูฟิฮาลาฆียะฟิฮาอัยนุนญาริยะห์ จมระยิงเรื่องร้ายสาระในวันนั้นในนั้นมีตาน้ําไหลริ่นทีฮะซุรมัรฟูอะฮ์วะกวาบมัฎฎูอะฮ์วะนะมาริกมัศฟูฟะฮ์วะซะรบีมับซูตะห์ในนั้นมีเตียงที่ถูกยกให้สูงเด่นและมีแก้วน้ําถูกวางไว้และมีหมอนอิงถูกเรียงไว้เป็นแถว ละมีพรหมอย่างดีเลิศถูกปูไว้เออฟะลายันดรูนอิลัลอิบลิไคฟะคุลกัตพวกก็ไม่ได้พิจารณาดูอูฐบ้างหรือว่ามันถูกบังเกิดมาอย่างไรวะอิลัสซะมาอ์ไคฟะรุฟิอะตและยังท้องฟ้าบ้างหรือว่ามันจะถูกยกให้สูงขึ้นอย่างไรวะอิลัลญิบาลไคฟะนุศิดัตและยังภูเขาบ้างหรือว่า มันจะถูกปักไว้อย่างไรและยังแผ่นดินบ้างหรือว่ามันจะถูกแผ่ราบไว้อย่างไร تذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر ดังนั้นเจ้าจงตักเตือนเถิดเพราะแท้จริงเจ้าเป็นผู้ตักเตือนเท่านั้นเจ้าไม่ใช่ผู้มีอำนาจเหนือพวกเขา illa man tawalla wa kathara นอกจากผู้ที่ปิ่นหลังไห้และปฏิเสธศรัทธาเท่านั้นอัลเลาะห์จะทรงลงโทษเขาซึ่งการลงโทษอันมหันต์อินนาอิลัยนาอีอาบะฮุมซุมมาอินนาอะลัยนาฮิซาบะฮุมแท้จริงยังเราเท่านั้นคือการกลับมาของพวกเขาแล้วก็แท้จริงหน้าที่ของเรานั้น คือการชำระสอบสวนพวกเค้า